แนะนำบทอันนาดบทอันนาดเป็นบทมักกียะห์มี 62 องค์การที่พิจารณาเกี่ยวกับศาลโดยทั่วๆไปและเรื่องเกี่ยวกับการศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและวันกิยามะฮ์เช่นเดียวกับบทมักกียะห์อื่นๆบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงเรื่องของอัลมิรอตซึ่งนับได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์ของท่านรอซูลแห่งมนุษยชาติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการ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 บทนี้ได้จบลงด้วยการที่ประชาชาติต่างๆในอดีตประสบกับความหายนะเช่นกลุ่มชนของอาร์สสมูดนวะและลูดด้วยการลงโทษและความพินาศที่ต่างกาลต่างวาระทั้งนี้เพื่อเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์แก่พวกปฏิเสธชาวมักกะฮ์ซึ่งการลงโทษกําลังรอคอยพวกเขาเนื่องจากการปฏิเสธต่อการเป็นศาสนทูตของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นการลงโทษกับบรรดาผู้ฝ่าฝืนทรยศ ละหญิญยะโสไม่ยอมรับสัจธรรมที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเผยแพร่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวัลนัจมีอิดาฮาวาขอสาบานด้วยดวงดาวเมื่อมันตกลงมานาดัลลอซอฮิบุกุมวะมากาวา สหายของพวกเจ้าคือมุฮัมมัดมิได้หลงผิดและเชื่อมั่นในทางที่ถูกวะมายันติกอะลิลฮาวาและเขาไม่ได้พูดตามอารมณ์อินฮุวะอิลลาวะฮยูฮ์อัลกุรอานมิใช่อื่นใดนอกจากเป็นองค์การที่ถูกประทานลงมาอัลลัมะฮูชะดีดุลกุวา ผู้ทรงพลังคือยิบรอฮีมได้สอนเขาผู้ทรงพลังอันแข็งแรงดังนั้นเขาจึงปรากฏในสภาพที่แท้จริงว่าฮูวะบิลอูฟุกิลออลาซุมมาดะนาฟะตะดัลลาขณะที่เขาอยู่บนขอบฟ้าอันสูงส่งแล้วเขาได้เข้ามาใกล้และเข้ามาใกล้จนคิด เขาเข้ามาใกล้จนอยู่ในระยะของปลายคันธนูทั้งสองหรือใกล้กว่านั้นอีกดะนันเค้าจิบรออีลจึงนํามาให้แก่บ่าวของพระองค์ซึ่งสิ่งที่เค้านําเป็นองค์การมามากะซะบะลฟัวาดุมาราอาน จิตใจของมุฮัมมัดมิได้ปฏิเสธสิ่งที่เขาได้เห็นอัฟตะตูมารูนะฮูอะลามายะราแล้วพวกเจ้าจะโต้เถียงกับเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้เห็นอีกหรือวะละกอดเราะฮูนัซละฮะอูคเราะอิดาซิดรอติลมุนตะฮาและโดยแน่นอนเขาได้เห็นยิบรออีลในการลงมาอีกครั้งหนึ่ง ณที่ต้นพุทธาอันไกลโพ้นไอยาจันนะตุลมะอวาณที่นั้นคือสวนสวรรค์อันเป็นที่พำนักอิยุชชิดรตะมายัชานขณะนั้นสิ่งที่ปกคลุมแสงประกายได้ปกคลุมต้นพุทธามาซัลบัสรวะมากอ สายตาของมูฮัมหมัดมิได้เหลียวมองไปทางอื่นและมิได้ล่วงเกินไปละกอดรออามินอายาติร็อบบิฮิลกุบรอและโดยแน่นอนเขาได้เห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระผู้อภิบาลของเขาอัฟเราะอัยตุลลาตวัลอซาแล้วพวกเจ้าไม่ได้เห็นอัลลาตและอัลอซาและมะนาตที่สามอีกละตัวที่ 3 อีกคือมะนาตดอกฤาษี لَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ سَأَنَظِرُكُم مِّن بَعْدِ هَٰذَا ۖ وَسَأَذَرُكُم إِلَىٰ أَن يَحْكُمَ رَبِّي ۖ رَبِّي عَلِيمٌ حَكِيمٌ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا ۖ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ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 امل للانسان ما تمنى رือว่าสำหรับมนุษย์นั้นจะได้ทุกสิ่งที่เขาปรารถนา ان لله الاخره والا อำนาจนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทั้งในปรโลกและโลกนี้ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى لا ملك كبير มากน้อยในบรรดาชั้นฟานันการช่วยเหลือของพวกเขาจะไม่อํานวยประโยชน์อันใดเลยเว้นแต่หลังจากอัลเลาะห์จะทรงอนุมัติแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงพอพระทัย ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الإناث تاจิง บันดาพูที่ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกนั้นแน่นอนพวกเขาจะตั้งชื่อมาลาอิกะเป็นเพศหญิง وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ عم تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ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 ওয়ালিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরয لیজজি আল্লাযিনা আসাউ বিমা আমিলু ওয়া يجজি আল্লাযিনা আহসানু বিল হুসনা লা সিং থি ইউ 나บันดา찬 ফা লা সিং থি ইউ 나ই পানดิน নান পেন কামাসিত খং আল্লাহ ফুয়া প্রং জা সোং টপ থেন বানদা পু কারতম খাম চুয়া তাম থি ফোক খাউ প্রপুত وَلَا سَوْءَ طَارِدٌ حَانَ بَنَدَا فُقَرَ تَمْ كَامْ دِي بِدِي اَلَّذِي نَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَنْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى كَٱبِنْدَا ٱلَّذِي يُخْرُجُ هَارِجًا مِنَ ٱلْخَطَايَا وَٱلْمُنْكَرِ كُلِّهِ إِلَّا مَا أَخْطَأَ بِهِ ٱلْخَطَأَ ٱلصَّغِيرَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ พระองค์ทรงรู้จักพวกเจ้าดียิ่งเมื่อครั้งบังเกิดพวกเจ้าจากดินและเมื่อครั้งพวกเจ้าเป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดาของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าอย่าแสดงความบริสุทธิ์แก่ตัวของพวกเจ้าเองเพราะพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่มีความยำเกรงเจ้าได้เห็นผู้ที่ผินหลังให้บ้างไหมและเขาให้เพียงเล็กน้อยและเขาได้ตระหนี่ ส่วนที่เหลือเอ่อใดดะฮูอิลมุลฆอยบะฟะฮูวะยะรอเขามีความรู้ในสิ่งเร้นลับกระนั้นหรือเขาจึงได้เห็นอัมลัมยุนบะบิมาฟีซุฮุฟมูซาหรือว่าเขาไม่ได้รับข่าวคราวที่มีอยู่ในคัมภีร์ของมูซาวะอิบรอฮีมัลลซีวัฟานและในคัมภีร์ของอิบรอฮีม ผู้ซึ่งปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบถ้วนอัลลอฮ์ตะซิรวาซิระวิซรอูคราว่าจะไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นได้วะอัลไลซะลิลอินซานอิลลามาซาอ่าและมนุษย์จะไม่ได้อะไรเลยนอกจากสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้วะอันนะซะอยะฮูซาวฟะยูรอ และแท้จริงการขวนขวายของเขาก็จะได้เห็นไม่ช้าตุมมายุจซาฮุลจซาออลออฟาและเขาจะรับการตอบแทนด้วยการตอบแทนที่ครบถ้วนวะอันนาอิลาร็อบบิกัลมุนตะฮา และแท้จริงจุดหมายปลายทางของเขาย่อมไปสู่พระผู้บริบาลของเจ้าว่าอันเนฮูฮุวะอัฎฮะกะวะอับกะและแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงทําให้หัวเราะและทรงทําให้ร้องไห้ว่าอันเนฮูฮุวะอะมาตะวะอะฮยาและแท้จริงพระองค์ผู้ทรงทําให้ตายและทรงทําให้เป็นว่าอันเนฮูคอละกะอัซซอญัยนิอัซซะกะรวัลอุม ثَامِنُ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى لَتَأْجِجَ بِرَبُّهُ سَوْنَ سَامِيَ بِنْيَا قُو نْ كُرْ بِنْ طَشَارَ لَأَجِجَ بِرَبُّهُ سَوْنَ سَامِيَ بِنْيَا قُو نْ كُرْ بِنْ طَشَارَ لَأَجِجَ بِرَبُّهُ سَوْنَ سَامِيَ بِنْيَا قُو نْ كُرْ และแท้จริงพระองค์ทรงทําให้เขาร่ํารวยและทรงทําให้เขายากจนว่าอันนะฮูวะรบุชชิอราและแท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งดาวอัชร่าว่าอันนะฮูอะห์ลักอาดานิลอูลาวะษามูดะฟะมาอับกานและแท้จริงพระองค์ทรงทําลายพวกอารรุ่นก่อนๆและพวกสมุทรก็ไม่ให้มีเหลือ อยู่อีกเลย وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى لقรมชนของนวก่อนหน้านี้แท้จริงพวกเขาเป็นผู้อธรรมยิ่งและเป็นผู้ละเมิดยิ่ง والمؤتفق تاهوا ละเมืองที่พลิกคว่ำลงนั้นพระองค์ทรงทำให้มันถล่มลง เพราะกشما غشا ฉะนั้น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 เวลาที่ใกล้เข้ามาวันกิยามะห์ได้ใกล้เข้ามาแล้วไลซะละฮามินดูนิลลาฮิคาชิฟะห์ไม่มีผู้ใดจะปัดเป่าออกไปได้นอกจากอัลเลาะห์เท่านั้นอะฟะมินฮาซัลฮะดีษตะอญับูนพวกเจ้ายังคงแปลกใจต่อคํากล่าวนี้อีกหรือวะตัฮะกูนวะลาตับกูนและพวกเจ้ายังคงหัวเราะ และยังไม่ร้องไห้ว่าอนตุมซามิดุนและพวกเจ้ายังคงหลงระเริงลืมตัวละสุจูดุลลอฮิวะอะบุดูดังนั้นพวกเจ้าจงกราบต่ออัลเลาะห์และจงเคารพภักดีต่อพระองค์เถิด